บทภาชณีหนึี่สิน้ำมีสิ่งมีชีวิตภิสูจน์สำคัญว่ามีสิ่งมีชีวิตรถหรือใช้ให้รถหญ้าหรือดินต้องอบัติปาจิตตีน้ำมีสิ่งมีชีวิตภิสูจไม่แน่ใจรถหรือใช้ให้รถหญ้าหรือดินต้องอบัตทุกกฏน้ำมีสิ่งมีชีวิตภิสูจน์สำคัญว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตรถหรือใช้ให้รถหญ้าหรือดินไม่ต้องอบัติ น้ำไม่มีสิ่งมีชีวิตภิกษุสำคัญว่า ม, i, มา mystery, ีสิ่งมีชีวิตต้องอบัตทุกกฎน้ำไม่มีสิ่งมีชีวิตภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎน้ำไม่มีสิ่งมีชีวิตภิกษุสำคัญว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่ต้องอบัต